ทรงประชุมสงฆ์ ญ, ญัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอนั่งในทิลับกับภิกษุณีสองต่อสองจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนี่ว่าโมฆาบุรุษฉะนั้นเธอจึงนั่งอยู่ในทิลับกับภิกษุณีสองต่อสองเล่าโมฆาบุรุษ